ถ้าตั้งสติไว้เราก็จะเห็นของจริงของปลอมอยู่ในตัวตนของเรานี่ของจริงคือเห็นว่าเป็นของไม่เทียบเป็นทุกข์ เป็นอนัตตานี่คือของจริงส่วนของปลอมรูปหล่อรูปสวยอันนี้ของปลอมเราดูเข้ามาที่ตัวเราตั้งแต่สมัยที่เรายังหนุ่มยังสาวอยู่หน้าตาเราเป็นยังไงถ่ายรูปไว้แล้วสวยไหม เราเห็นว่าโอ้มันสวยกับตอนนี้เราลองไปถ่ายดูอีกสีส่ตีสิว่ามันจะเหมือนเดิมไหมหน้าตาอะไรต่างๆมันเหมือนเดิมไหมถ้าไม่มีชื่อบอกไว้ดูไม่ออกเลยว่าเป็นของไข่อนนั่นแหละนี่คือของปลอม มันหลอกลวงสัตว์โลกนะให้ติดอยู่เป็นหลายกลับหลายกันติดอยู่ในความหลออความสวยความงามอายุหกสิบปีแล้วยังคิดว่าเรายังหล่ออยู่มันก็ไม่ถูกและก็เลยบอกเห็นของปลอมหน้าตาเราก็ของปลอม แต่ขอดในใหม่เป็นยังไงจำได้ไหมขอดในใหม่กับปัจจุบันนี้ต่างกันไหมแลอนาคตข้างหน้าหลาจะเป็นยังไงลองดูมันปลอมมาหลอกลวงเราเท่านั้นนะให้เราหลงติดอยู่ก็เหมือนเขาเอาเหยื่อใส่เวทนั่นแหละหย่อนลงไปในน้ำ ปลามันก็นกเหยื่อมีแต่เหยื่ออย่างเดียวขาบครบเหยื่อมันก็ไปทางเหยื่อบนี้เล็กก็เสียบคางปลาติดปากนั่นไปเลยนั่นหละไอ้สังเกียร์เ่างนั้นแหะคอสำคัญที่สุด จึงให้เห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงร่างกายสังขารของเราไม่เที่ยงมันเกิดเกิดก็มาเกิดในคันมารดานั่นแหละมันแก่เราเห็นได้มันแก่ าตาหนังอะไรต่างๆฟันแต่เรียกไม่มีปัญหาในเรื่องฟันแต่พ่อแก่เท่ามากขมีปัญหาถอนออกถอนออกจนหมอเขาเอาเหลือไว้สำหรับเคียวอาหารบ้างเขานัน่มันของของไม่จริงเลย ของกินเราไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่เที่ยงแล้วมันก็แก่ก็ตายยิงมีโลกไครไ ข, ไขเก็บเข้าผสมลงด้วยยิ่งไวกว่าตายก็ตายความตายก็อยู่ที่เราความเกิดก็อยู่ที่เราเราได้เกิดมาแล้วแต่ความตายเรายังไม่ถึง เราเห็นว่ามันเที่ยงไหม้ความตายมันเที่ยงกับทุกคนเลยทุกคนนั่นแหละจะต้องเป็นอย่างนั้นหมดเกแเราก็ค่อยผ่านไปผ่านไปเรามาดูตั้งแต่ัยเยาว์หนุ่มว้สาวดูสิว่ามันแตกต่าง ก, กันขนาดไหนนี่แหละท่านถึงไม่ให้หลง ท่านในพิจารณาตะโจหนังนนหนังมันหุ้มห่อไว้หุ้มห่อตัวเราในแตไว้ให้เราเห็นว่าโอ้มันยังสวยอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่แก่ไม่เท่าอีกสา4สบสี่สิบปีข้างหนา้าถามหาบางคนเหลือแต่ชื่อ บางคนไม่รู้จักเลยว่าชื่ออะไรก็ไม่รู้นั่นนับจากนี้ไปอีกส0สิปีข้างหน้ามันเรืออะไรคนเก้าสิบปีนั่นมันไม่เรือเืออะไรแล้วท่านถึงให้ดูให้พิจารนาพารณาเข้าถึงความจริง ดูให้มันชัดลงไปว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเราจะต้องแก่เราจะต้องเก็บ เ, เราจะต้องถ่ายคือเตรียมพร้อมถ้าไม่เตรียมพร้อมนมันก็จะผิดหวังเพราะนั้นตึงพากันมาปฏิบัติธรรมกัน ปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่ออธิบัติเพื่อหนีความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละปฏิบัติเพื่อหนีหนีจากความเกิดความแก่ความตายหนีจากความโศก ค, ความรับนายลำพันมันหนีได้ไหมหนีหนีได้ ทำไมจะหนีไม่ได้ผู้ใดบรรลุมารโกดมันก็หนีได้เลยชาตินี้ก็ตายไปซะเป็นชาติสุดท้ายซะนั่นมันก็ไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อไม่เกิดอีกก็ไม่ไม่มีแก่อีกไม่มีตายอีกตายชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายแล้ว ไห้ต่อมาเกิดอีกสองสามชาติหนีให้ได้นีจะของปลอมเลยหนังก็เป็นของปลอมตะโจหนังนาาโลมาเจสานาาเดบดันตาฝันตะโจหนัง เจศาโรมานะขาทันตาตาจนะจูเจศาก็คือผมผมมันก็ไม่เสียงขณะเราตัดอยู่ทุกเดือนแก้ไขยอยู่ทุกเดือนทั้งย้อมทั้งย้อมให้มันดำมันขาวหมดเลยอายุ ห้าสิบหกสิบขึ้นไปมันเริ่มลเริ่มขาวละแต่เกินสิบก็ขาวเกือบจะหมดอ้วให้พิจารณาอย่างนี้ในตัวของเราเนี่ยให้มันเห็นชัดเจนลงไปเห็นเข้าไปในตัวเรานี่แหละ ผมตั้งแต่ยังเด็กอยู่เป็นอีกสีหนึ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มสดใสเสียเงินเสียทองพราผมนี่มาทั้งค่าตัดค่าแต่งอยากให้มันงามมันสวยอยากให้มันดีอยากให้มันน่าดูน่าชม ก็หลอกกันรวงกันไว้ให้หลงติดยึดอยู่ในสิ่งเหล่านี้หนีจากความจริงเหล่านี้ไม่ได้เราติดอยู่เลยและพอเกียดเท่ามาก็มายอมให้มันดียอมไว้ได้ไม่ถึงเดือนอาบน้ำถูสบู่นั่นนี่เขาไป แฝงซาอะไรต่างๆเข้าไปแล้วก็ไปกันระบาดเนี่ยต้องได้ยอมใหม่คือมันขาวทั้งหัวเลยนั่นเราต้องหลอกไว้เพราะฉะนั้นพวกหากินตามวิธีหลอกให้คนเปลี่ยนแปลงแก้ไขปดปกปิดความจริงไม่ให้รู้ไม่ให้รู้ในความเป็นจริง แกปนี้นก็ยังยอบผมอยู่ให้มันรั้มสนิทอยู่มันไม่ใช่นางวิสาขาแล้วมันนื่อยมันก็ไม่อยู่หรอกส่วนนางวิสาขานเป็นคนมีบุญมากผมไม่ได้ยออสักทีลูกหลานสี่สิบสี่ร้อยคนน่ล้อมไปสวดไม่รู้เลยว่าใครเป็นนางวิสาขา เหมือนกันหดเหมือนยังสุดาวอยู่เลยเหมือนลูกหลานนะ่ะที่ไปด้วยนางวีสาขาผมไม่ดำก็ผมไม่ขาวมผมดำตลอดอันนั้นมันอำนาจของบุญอำนาจของอุศนอำนาจของคุณงามความดี แต่ถ้าตามเป็นจริงแล้วมันต้องขาวหมดทุกคนนะขาวหมดแต่เราเห็นมันไม่ขาวอยู่เพราะเรายอมไว้หลอกกันไว้พวกหากินในทางนี้ก็ร่ำรวยกันเครื่องสำอางบ้างอะไรบ้างยานวดผมยาสะผมยาโอ้ยสรารพัดเลย คนทำที่ถีแก่ให้ผมดำเหนือให้มันผมขาวให้มันดำานขายได้เงินเยอะแยะเลยมันร่วงหล่นไปทุกอันทุกอันทุกอันอยู่นานไปเท่าไหร่ก็ยิ่งหมดไปหมดไปทายุแปดสิบเก้าสิบแล้วฟันจะเคี้ยวอาหารก็ไม่มีเลยกลายเป็นเด็กน้อยเกิดใหม่แบบนี้ เออฟันจะเกี่ยวอาหารก็ไม่มีนั่นเราดูของจริงกับของปลอมสิมันปลอมหลอกลวงเราไว้อย่าพึ่งไปเลยตอนนี้อย่าพึ่งไปปฏิบัติธรรเลยไปเมื่อไหร่ก็ได้หรอกอายุยังหนุ่มยังสาวอยู่ไปทำไมนั่น เราคิดว่าเราจะอยู่จนแก่จนเท่าจนตายเราไม่ได้พิจารณาถึงความจริงไม่พิจารณาถึงความเป็นไปของมันลองพิจารณาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าที่พูดมาในจริงไหมแสดงทำมาในมันจริงไหมผมน่ะ ผมอย่างเดียวนั้นนี่หลอกคนให้ติดให้หลงอยู่ได้หลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันหลอกอยู่นั่นแหละขนก็เหมือนกันต้องถอนออกต้องวนออกขนเกิดตามแขนตามขา ปากถ า, ามอะไรเขาว่าหนวดก็เขาใส่ซื่อเข้าไปให้มันแปลกไปอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันเรื่อยๆตรงโก่นออกต้องตัดออกอเรื่อยอันนี้ให้พิจารณาถึงความจริงพิจารณาของปลอมนี่ให้ถึงความจริงอ ความจริงคืออะไรคือความไม่เที่ยงมันเที่ยงไหมเราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้มันเที่ยงไหมเมื่อ 14-15 ห้าปีกับปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงมันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลย ตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเหรหาตาท่าทางอะไรต่างๆการลุกสังเกตได้เลยเว่านามวิสาขานี่คือคนไหนนั่งอยู่ด้วยกันเวลาลุกคนไหนค้ำพื้นโอ้นั่นแหละเอามือค้ำพื้นไว้ขมพื้นไว้ค่อยขยับลุกขึ้นอันนั้นแหละคือนามวิสาขาส่วนลูกหลานลุกขึ้นทันทีมันยังแข็งแรงอยู่นาน เราเราแก่ก็เหมือนกันเราจะลุกนี่ลุกขึ้นไม่ได้หรอกขามันอ่อนไปหมดแหละลุกขึ้นไม่ได้ขาอ่อนขาเทียมหมดต้องได้หิ้วปีกขึ้นไปถึงลุกขึ้นได้หรือไม่งั้นต้องค้ำยันหาอะไรที่ต่างๆยันไว้มันถึง ลุกได้ยืนได้เดินได้นี่แหละของที่เราต้องพิจารณาเล็บละ่ะเล็บก็ต้องตัดทุกเดือนไม่ตัดไม่ได้มันงอกตลอดถ้าเหลือไว้ายาวๆเป็นผ้าไม่ได้นะเป็นผ้ามีผมมีเออเล็บเล็บยาวนี่ไม่ได้ทีข้างหน้าขา คนมีเล็บยาวไม่ได้ต้องตัดออกเล็บ ก, ก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พิจนนารณาที่พูดนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตำหนิทีเตียอะไรหรอกพูดให้พิจนนารณา ให้พิจารณาว่าคนเรานี่ยตกอยู่ใต้กฎถึงความจริงคือก็ไม่เที่ยงผมมันก็ไม่เที่ยงขนมันก็ไม่เที่ยงอืผมขนเล็บเล็บก็ไม่เที่ยงมันเกิดอยู่เรื่อยยาวอยู่เรื่อยเผาไหนไว้เล็บเยาวเผานั้นไม่มีเผายิ่ไหน ไม่ไดีบัติตามพระวินัยพระพุทธเจ้าอาให้ตัดออกหมดแม้แต่ผมนี่ก็ยังให้ตัดออกหมดโกนออกหเดือนหนึ่งต้องโกนครั้งหนึ่งบางแห่งก็สิบห้าวันโกนครั้งหนึ่งไม่เป็นระเบียบเดียวหมหาที่รสมาคมก็ให้วางแนวให้พร้อมกันกวันที่เท่านั้นเดือนนั้นโกนมาแล้ววันี่ นับมาอีกถึงวันพระนี้อ้าวสิบห้าค่าเลยวันพระนี้สิบห้าค่ำขมาตัดไม่ได้ผมก็โคลนไเอาไว้นานไม่ได้เดือนหนึ่งท่านเองต้องโคนผมเลยนาเล็บเท้าก็ต้องตัดเล็บมือก็ต้องตัดเอาไว้นานไม่ได้เลย เล่เล็บมือนี้ตัดอยู่เรื่อยแล้วจะโอกาสแต่ผมนีนเดือนหนึ่งมาเทละสมาคมวางแนวว่าให้เดือนหนึ่งให้โกนทีนี้เวลาพระเข้าไปวิาบาบัแเราก็จะเห็นว่าวันไหนเป็นวันพระผมจะไม่มีเลย วันพระสิาคั่งเดือนหนึ่งสิ้าคสองข้างเลดตัดอะคูนผมบอกแล้วเหมือนโยมใส่บาทอ่ะคนดูที่ชี้สาพระทพระโ้นหัวก็โอ้โหนี่เป็นวันพระวันนี้เป็นวันพระ ทิ่พระมันหัวล้นหัวล้านเหมนันเถอะเหลือแต่ลออหูเนี่ยท่านก็เลยไม่เอาไว้เอาออกหมดเลยเข้าไปวินทาบาวในบ้านท่านก็ถามพระว่ า, าวันโกนหรือคะวันนี้นโอมันจะเอาหัวกูตัวนี่งไมันจะเอาหัวกูเป็นวันพระวันโกนตัวนี้งถึงแท้ท่าน หัวร้านล้านเหลือน้อยนิดเดียวนะยังไม่ถึงวันโกนหรอกแต่ว่าโยมเห็นหัวเที่ยงก็เลยถามดูนี่คือความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของสังขารร่างกายตัวตนของเรา ฟันเที่ยงไหมไม่เที่ยงถ้าเกิดขึ้นตั้งอยู่กันดับไปเหมือนกันจสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจคือหนังหนังตอนหนุ่มตอนสาวมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพออายุ เจ็ดสิบแปดสิบมาจบดูถึงนลังพึ่งไม่รู้ความสาวอยู่ตรงไหนไม่รู้ความสวยที่มีอยู่ไปยังไงนี่แหละท่านให้พิจารณาพระที่จะบวชนะพระที่จะบวชนี่อุปชาต้องให้ว่า ด, ด้วยนะ เกซาเราก็ว่าตามคนที่บวชว่าตามาาาาเกซาเกซาแปลว่าผมอุปชาว่าผมเป็นของโสกโบก ฏ, ฏิกูลว่าไปอีกด้วยโลมาขนขนจมูกขนจะกะและขน ขอให้ว่าตามให้พิจารณาขนก็เป็นของสุกภูมิปิกูลนาเล็บเล็บก็เป็นของสุกภูมิปิกูลดันตาฟันฟันก็เป็นของสุกภูมิปิกูลว่าไม่เชื่อต้มฟันมากินดูสิ ใครจะกล้ากินบางถอนเอาฟันของคนนั้นบ้างคนนี้บ้างคนละอันชองอันไปทีนี้ก็ใส่หม้อแกงทำอาหารผาสมด้วยเครื่องเครื่องปรุงทุกอย่างสุกแล้วเอ า, เอามาประมาณเรามันรอนเต็มที่แล้วเอามาให้เราตักกินไม่ต้องเอามากเอาคนละสามชิ้น ข อ, อฟันขนะ้าวต้มกินจะกล้ากินไหมไม่มีใครกล้ากินเลยแต่เวลาอยู่ในปากเราเวลาเราเคี้ยวห้าวเคี้ยวอะไรทำไมเราคืนลงได้อันนี้เราไม่ได้พิจารณาถึงความกินพิจารณาสิแต่ว่าจะกินแต่ไม่พิจารณาว่าฟันอันนี้เป็นของส่งขกวปิกูล เขาเล่าขี้ฟันเนี่ยต้องแปลงฟันต้องแปลงฟันถ้าไม่แปลงนี่ไม่เบื่อเลยคุยกันไม่นา น, นอ่ไปแล้วทนไม่ไหว ท่านจึงให้พิจารณาให้มันเห็นหนังก็ลองเอาหนังมาต้มกินดูสิหนังหมูก็หนังคนต้มหนังหมูกับต้มหนังคนหนังคนคนไม่กินหนังหมูคนกินเน่เนื้อหมูคนคนกินเนื้อคนคนไม่กินไม่กินเลย รัวอ้อนเนื้อหมูอันนี้กินแหละอันนี้เนื้อคนไม่กินเลยนี่มันโชกภท่านถึงจะบอกบุคคลบุคคลแปลว่าพวกกินกินคืกนกินของบูดเน่าหนังหมูมัน ก, ก็เน่าเหมือนกันหนังคนก็เน่าเหมือนกัน ม, มันเน่ามันเหมึนเหมือนกันหมดแหละเนี่ยเราลองพิจารณาดูสิ เราอยู่ด้วยความหลอกลวงมาตลอดเวลาเลยปกปิดไว้เดือนหนึ่งยาสีฟันหมดกี่หลอดเช้าก็สีฟันทานอาหารเสร็จก็สีฟันเที่ยงมาก็กินข้าวแล้วก็สีฟันคือแปรงฟันนะ่ะเที่ยงมาก็แปรงฟันกินข้าวเสร็จก็แปรงฟัน ตอนบ่ายตอนเย็นเนื้อเหมือนกันกินแล้วก็ต้องเปล่งฟันนั่ น, นยาสีฟันอันนี้มันดีซื้อหมดมากบไว้ปิดไว้ไม่ให้มันให้มันปิดความเน่าความหมันความสกปรกเอาไว้ ถ้าไม่ทำมันเป็น อ, อย่างนั้นจริงๆอยู่ใกล้กล้กั น, ม, นมันโอยมันทนไม่ไหวเลยแหละ ม, มาแรงวันตอมเลยพอพูดขึ้นมันได้กินมวาวันมันได้กินกินมันมแงวันมันดังดีอวไม่รู้เมนนทีนมันรู้จักหมดฟันเราเนี่ยเราลองไม่สีฟันสักเดือนหนึ่งดูสิลองลองดูอะไรจะเกิดขึ้น อันนี้ก็ยังไม่เคยลองนะยังไม่เคยลองแต่ว่าพูดว่าลองลองดูฉันจะไม่แปลงฟันละเดือนนี้จะประหยัดค่ายาสีฟันแล้วเราจะไปพูดกับใครได้ละ่ะเขาได้กินป่าเขาไม่พูดเลยไม่พูดด้วยเลยนั่นพระุทธเจ้าพระองค์อองทรงรู้ความจริง จึงตัดสอนความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นนาตาจเจ้าตรงไหนว่ามันเที่ยงเอาที่ไหนเรามาเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงนยี่แหละเราถึงจะปล่อยวางได้ผมก็ไม่เที่ยงขนก็ไม่เที่ยงฟันก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยง หนังก็ไม่เที่ยงเที่ยงเนื้อก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงสักอย่างเราจะอาอยังไงอยากทดลองก็ได้เดือนนี้อธิษฐานเลยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอีกสองเดือนข้าพเจ้าจะแปลงฟันเท่านี้เนี่ ไม่ถึงเดือนหรอกสองวันเท่านั้นแหละวันสองวันเดินคุยกับใครเขาก็าสายหน้าเลยพูดไปได้นานพระพุทธเจ้าแต่ไว้มันจริงหรือปลอมละ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่เที่ยงเราก็ว่าเป็นของเราก็จริงก็เป็นของเราจริงในความยึดความถือของโลกอันนี้ตามสมมติบัญญัติแต่พระพุทธเจ้าบัญญัติว่ามันไม่เที่ยง มันเมื่อมันไม่เที่ยงเรายังพอใจอยู่หรือเนีย่ยบางคนอาจจะคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ไปเอาออกหมดซะเลยให้ไม่ต้องมีหละฟันนี้เออเอาอย่างนี้ไม่ฟันมีเลยความหล่อความสวยความงามความหอมอะไรต่างโหไม่มีเลยนะนั่น นี่แหละสอนให้ลูกความจริงสอนให้ลูกความปลอมคือความไม่จของไม่ริงเราลองพิจารณาตามสิตัวตนของเรานี่เป็นของาศาสรหรือของสุขปพเป็นของจริงหรือของปลอม เกิดชาติไหนเราก็มายึดถือตัวตนเนี่ยเป็นคนถ้าเป็นเทพเป็นเทวดาก็ยึดถือตัว ต, วตวท น, ทนที่เป็นเทพเป็นเทวดานั่นแหละแต่มเป็นรูปละเอียดอย่างเราเนี่เป็นรูปหยาบเนเราลองดูยึดถือไปเท่าไหร่ ทุก็ตามไป เ, เวทจะขันขันห้าหรืออุปทานขันห้าที่พูดมาแล้วเรื่องลูกลูกเวทนาคือความรับลูกสัญญาคือความจะจำได้หมายลูกสังขารความคิดนึกคงเต่งวิญญาณ คือผู้รู้ที่อยู่ในตัวเราเนี่รวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างรูปคงเป็นรูปที่เหลือเป็นนามนั่นมันอยู่ที่ตัวของเราเองโดยเหตุนี้ท่านจึงให้พยายามพิจารณาความจริงเหล่านี้ให้มันชัด มันจะเห็นชัดได้ก็ตรงที่ว่าเรามาพิจารณาเนี่ยคือเราทำจิตให้เป็นสมาธิเสียก่อนถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วก็ให้มาพิจารณาดูดูถึงความจริงเหล่านั้นให้มาพิจารณาดูความจริง ว่าเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของสาดหรือของสุ ป, ปรกนี่แหละพิจารนาลงไปพิจารนาคนอื่นก็เป็นเรื่องของคนอื่นอยู่มันยังไม่จริงพิารนาตัวตนของเราเนี่ยที่เรายึดยึดถือขันหันที่ว่าตัวตนตัว ต, ว ต, วตวนเนี่ยยิ่งยึดถือเท่าไหร่ยิ่ง อยู่ในโลกนี่นานไปนับเป็นหลยร้อยชาติเป็นพันพัชาติแสนชาติหมื่นชาติล้านชาติไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่พ้นจากทุกข์เลยนี่แหละลองพิจารณาดูคนเกิดมาติดอะไรก็ติดหนังติดเนื้อกันนี่แหละ ชอบกันก็เพาะปกปิดไว้ดีหน er, ้าตาเสริมเติมแต่งให้สวยให้งามไม่เห็นรอยมลทินอะไรเลยช่างเสริมสวยเหนือีกมากหากินมกับความจริง ผมแต่งผมเสริมหน้าเสริมตาพระก็ฉลาดเหมือนกันนะบางองค์ไปลถน้ำมนต์เนี่ยไม่พิจาราลถไปลถไปเลยพระกรสวดยันโตโพธิยาโมเลสัตยานังองค์ที่เป็นประทานก่อน ถือขันน้ำมนต์สัตนต์เพิ่มพิ่มใส่มันไปถูกคนที่เขาเสริมเติมหน้าเติมตามาแล้วน้ำมันก็ล้างออกไม่รู้น้ำยาหรือน้ำอะไรออน้ำมนต์ไปถูกเขาชอบคมหน้าอะไรเวลารับน้ำมนต์ เขาไม่นั่นหรอเขาไม่ให้หน้าเขาถูกตรงๆหรอเขาหลบปบเลยก้มลงไปเราก็ต้องคิดว่าเขาก้มทําไมแหมแต่กี่เขาเสริมสวยมาเขาปกปิดมาแล้วทายาเสริมสวยหมดไปหลายหลายร้อยบาทแล้วทายาเสริมสวยหมดไปหลายร้อยบาทแล้ว แ ต, นนนนแต่ต่อมาเวลาไปสัดน้ำมนต์เนี่ยไปพมน้ำมนต์แต่ยต่อมาก็พิจนาณานะถ้าคนไหนหน้าตาที่ว่าตกแต่งนั่นหน่อย ก, ก็ไม่เอาน้ำมนต์ไปทางนั้นทำเบาๆไม่ให้มันถูกเยอะไม่งั้นโยเคาสับเปลามันจะหลุดหมดนี่แหละพระที่พิจนาก็ พยายามที่จะไม่ให้ถูกหน้าเขาชัดแต่คนที่ไม่ได้เตะชัดไปทางคนแก่บางคนเด็กๆหนุ่มๆบ้างแต่คนสาวๆนี่เอ้ยไม่ไม่ไม่ทำละไม่ลดน้ำมันให้เดี๋ยวมจะไปถูกหน้าเขางานแต่งงานเนี่ยโอ้โแต่งคืนทั้งคืนไม่ได้นอนเลยกลัวเสียทรงผมไม่นอนไม่อะไรนั่ง กันจะแต่งงานเสริมสวยมาจากอุดรเพอตามมปนอกมันมีที่เสริมสวยเลยก็ไปเสริมสวยมาจากอุดรนเสริมสวยแล้วก็มารอแต่งงานรอพิธีไม่ต้องนอนหลับคืนนั้นเพราะถ้านอนแล้วกลัวมันเสริมสวยมันจะเสียไปทรงผมก็จะเสียทรงหน้าก็จะเสียไปปกปิดไว้เลยปกปิดไว้ทําไมอ่ะปกปิดไว้กลัวว่า เขาจะเห็นความจริงความจริงคือมันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเนี่ยหไม่สวยก็ททาให้สวยได้จัดผมดีดีจัดหน้าหีดีจัดตรงนั้นตรงนี้ให้ดีดอเออแบบนั้นผู้หากินตามผมตามเสริมสวยก็ รวยเงินเยนอะแยะปล่อยธรรมดาไม่ได้ล้างหน้าธรรมดาไม่ได้เหมือนถือสิ้น 8, แปนเราล้างหน้ากัแล้วเลยไม่ต้องมาตกแต่งล้างหน้าแล้วแปรงฟันแล้วมาได้เลยสละมานั่งสมาธิได้เลยแต่ก่อนไม่ได้จอชาวบ้านต้องแต่งตัวเสียก่อน ทรงนี้มันเข้าท่าไหมทรงนี้มันเข้าท่าไหมนวลต้องแปลงต้องจัดผมให้เข้าท่าจัดคิ้วจัดหน้าออนี่แหละพิจารณาถึงความจริงพิจารณาถึงความปลอมปอมก็คือไม่จริง ริงก็คือไม่ปล อ, อมไม่ต้องแก้ไขพอจะเห็นความเกลสารได้แก่มาแล้วหน้าต า, าก็ แ, แก่อะไรก็แก่ไม่ใช่แก่ธรรมดานะต่อมาก็เหนื่อยก็เมื่อยด้วยเออพอแก่เท่ามาเลยอายุเก้าสิบปีเีย พูดไม่่อยได้ยินแหละจะลุกจะเดินต้องมีคนถามคนดึงนั่นมันเิดดังนั้นถัดจึงให้พิจารณาพี่ณาถึงความไม่จริงของมัน แตเราพิจารณามาที่ตัวเรานี่ตัวเราเป็นดังนั้นแหละเป็นของโชคโบกันติกูลเป็นของที่ป้อมไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเกิดมาหลงสมมุตินะ่ะหลงสมมุติโลกดาลานี่เขาไว้ผมยาวเราก็ไว้ยาวพัก เะได้เหนสวยหมืนมือนดาราบางทีผู้ชายก็โกรธเอาผมมาเยอะเลยเราดูไม่ออกด้วยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบางทีเขาจเจ้าของมาถาบายเราก็ต้องดูซะ ก, ก่อนเออเปนผู้หญงผู้ชายกันแน่นันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันเน่ยสยายผมนะเออ อยาให้ผมฟุต เ, เราก็ดูผู้ชายรับได้รับได้ไม่เป็นไรถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องหาผ้ามาลองด้วยก่อนรับด้วยเนื่องด้วยกายาน่ น, นะที่พูดนี้ไม่ได้พูดเพื่อให้มันว่ามีปากก็พูดไปไม่ใช่เงั้นคือพูดให้เห็นความจริง ความจริงคือความไม่เที่ยงฟันมันก็ไม่เที่ยงหนังมันก็ไม่เที่ยงเนื้อก็ไม่เที่ยงเล็บมันก็ไม่เที่ยงกระดูกมันก็ไม่เที่ยมันไม่เที่ยงสักอย่างเมื่อเราอยู่กับความไม่เที่ยงเราจะทำใจยังไง เมื่อเราอยู่กับของไม่เที่ยงเราจะทำใจยังไมันก็ยากเหมือนนะถ้าไม่มีสติมีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วยากบางคนเนะี่ยอายุสามสาวแล้วหกสิบปีแล้วยังเห็นเท่าสาวนี่แหมทำปิ้ลีปรลอรอใส่เขา ไม่ดูเจ้าขององีกไม่เอากระจกสองหน้าดูใ้เขาพูดด้วยได้ยังไงฟันก็หาจะเคียวอาหารก็ไม่มีแล้วนั่นแหละพระพุทธญาโภคแต่รู้ความจริงคืออริยสัจสีเริ่มต้นก็ ฝึกนาปานาสตินีะพอมันได้ที่กนชำระกิเลสออกจากใจมดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพออารุณพุ๊บสีดแดงๆขอบฟ้าพอพระพุทธเจ้าก็ตัดสรูหมดเลยรู้ความจริงความปลอมความแท้ความไม่แท้มดทุกอย่างขันไม่แต่ขันห้าทั้นหม่ยึด มันถือมันสำคัญหมายเลยโอ้รู้รู้ชัดด้วยรู้ชัดตาเป็นกี่พวกไม่กลับมาลงอีกแล้วส่วนพวกเราเนี่ก็ปฏิบัติทำไปตามคำสอนพระพุทธเจ้าแหละให้มันหลุดพ้นจากสมมุติโลกอันนี้หรือความปลอมเหล่านี้ หนังมันก็ปลอมเนื้อมันก็ปลอมกระดูกมันก็ของปลอมแต่ก็สําคัญนะหมาชอบชอบกระดูกคนหรือ ก, กระดูกว่ า, ก, ากระดูกขั้วก็ตามละ่ะกระดูกอะไรก็ตามล่ะหมามันชอบพ่อข้าก็หัวใสเลยเอาอะไรมาของเทียมเนะี่ยมาทํา ทไม่ทำกระดูปฟอมใส่ถุงไว้หมามาก็โยนให้มันมันก็มันนึกว่าเป็นกระดูมันก็กัดกัดกัดกัดเงินแหละนี่แหละท่านไม่ให้หลงท่านให้วางให้วางของปลอม น, นี so ่ เหมือนหมามันแท้กระดูกเลยกระดูกปลอมพอข้าหัวใสมันทำาเงินทำกระดูกปลอมให้หมาที่พูดนี้เคยไปเคยไปศูนย์ที่เขาเอาหมามาเลี้ยงเอาหมามาขา ย, ยตัวหนึ่งตั้งห้าพันนะไม่ใช่ธรรมดาเลยตัวหนึ่ง เห็นมันเขี้ยวของปลอมครับครับครับครับแต่เราพิจารณาแล้วเราก็เห็นความจริงเราไม่เห็นความปอมลอมเราก็ปล่อยวางได้เราก็ละได้เราก็ไม่ทุกข์แกเราก็ไม่กลัวตายเราก็ไม่กลัวคนที่ไม่กลัวตายมีแต่พระพุทธเจ้าพระจบจิตพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละไม่กลัวความตายนอกนั้นก็ยังกลัวความตายอยู่ให้เพียารณาให้ดีเราจะสามารถเห็นความ ของพพุทธเจ้าจนสามารถท ำ, ำกิจทาละกิจให้บริสุทธิ์ได้จากราคะโทสะโมหะได้เหลือแต่กิจที่บริสุทธิ์พองใสตั้งเที่ยงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับสิ่งไหนๆก็ตามในโลกหนึ่ง ไม่ติดในลาบไม่ติดในยศไม่ติดในสารเสื่อเยือนยอไม่ติดทุกอย่างวางเลหมดแม้แต่ความตายก็ไม่กลัวกลัวยังไงพอมันบริสุทธิ์หมดแล้วเรารู้ความจริงหมดแล้วรู้ชัดด้วยตัวของเราเองแล้วเราจะไปหลงอะไรยังไงอีกเหมือนญาติโยมที่ฟังเทศน์อยู่นี่แหละ ผู้มาปฏิบัติผู้ลีกเล่นทั้งหลายนี่ก็มาลูกความจริงแล้วแต่ก่อ น, นเขาไ่ค่พิจารณาเท่าไหรแต่ปัจจุบันนี้กําลังขณะนี้เดี๋ยวนี้เราก็หลังพิจารณาอยู่ว่าโอ้มันไม่เที่ยงจริงรอนันี้มันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นหน้าตากจริงๆไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดซือว่าอันนี้ของเราของเรายึดถือไม่ได้เราก็มาลูกแล้ว พอามายึดถือก็ไม่ต้องใส่เสื้อใส่ผ้าไม่ต้องอนั่นนี่นก็ไม่ใช่มาธรรมดานี่แหละแตใ่ให้รู้ความจริงให้รู้ความจริงถึงจะยังไงมันไม่เป็นของเราหรอกแต่ก็ให้รู้ความจริงว่าขนาด น, นี้มันก็เรายังยึดถือนี่อยู่แต่พอเราพิจารณาหรือเราทำกิตให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้แล้ว ล้วก็วางใจได้ไม่หลงอีกต่อไปไม่หลงว่าเราสวยเรางามเราอันนั้นนันนี้โอไม่หลงสักอย่างไม่ติดไม่คล้องแวะไม่เอามาใส่ใจก็มองเห็นความจริงอยู่ตลอดเวลาว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์น่นเอามาพิจารณาอยู่กัน เราจะซักซาอยู่ไม่ได้รอยผมห ง, งอกก่อนถึงจะมาปฏิบัติหลวงพ่อหงอกไปก่อนเราจะว่ายังไงอะใครจะมาช่วยจัดการเรื่องเหล่านี้ให้มันละเอียดเราออกขึ้นมาได้เหมือนเมื่อคืนวานนี้นะ่ะอัตามาก็ไม่สบายนิดหน่อย ท่านไทบุญก็เอาหนังสือไปให้เซนเซนบททีบัตรประกาศสนยญาบัตรของผู้ที่มาฝึกอบรมนะคไปให้เซนอัตมามาคิดใจหนึ่งวกผู้นี้กอเซนก็ได้ใจหนึ่งมันก็พูดขึ้นมาว่าถ้าคืนนี้เกิดไปตายเลยใครจะมาเซนเลยไม่ได้ทำใหม่เลยโอ้ใช่ยงงั้นเดีย๋ยวเอาเข้าไปทำที่ห้องนอนเลยเข้าไปเซนจนเสร็จ เสร็จไปวุทธิวัติสร็จจึงนอนกว่าตายก่อนกลัวจะไม่ได้เสร็จถ้าเราพิจารณาอยู่อย่างนี้บ่อยๆ อ, อยู่เรื่อยๆมันก็ ทำให้ใจของเรานีไม่หวั่นไหวต่อเรื่องใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคมเกิดอีกความแก่อีกความเก็บอีกความตายอีกถ้าเราไม่บรรลุเป็นพระอารหันต์นี่เราต้องเกิดอยู่อย่างโสดาบันนี่ก็เกิด แต่พระสุร a v a นี่เกิดเกิดอย่างชาติที่สุดเกิดชาติตนองไม่ตกต่าเลยนะไม่ใช่เกิดมาแล้วต้องตงกนรกหรือทำบาปทำกรรมงลงโทษใจไม่เป็นอย่างนั้นใจของพระสุรบ v a ไม่เป็นอย่างนั้นพอรู้ตามความเป็นจริงแล้วแต่ละกิเลสยังไม่หมด ต่อมาเกิดอีกอย่างมากที่สุดไม่เกินเกตชาตินีไม่เกินเกตชาติเอาเกินถ้ามาเกิดไม่เกินเกตชาติมันจะได้พบกันหรือกับแฟนมันจะได้พบกันทุกชาติไหมอาจจะมีคนถามมาได้ไไดพบกัน หนึ่งมีศรัทธาเสมอกันผัวว่าสิบเมียว่าห้าอันนี้ไม่เสมอกันแต่ถ้าเสมอกันผัวห้าเมียก็ห้าผัวสิบเมียก็สิบทาบุญนะนี่แหละมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันมีมีทางเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันทำสี่ข้อนี้แหละอีกขั้นหนึ่งคือบริจาคเสมอกันอันนี้ได้ได้ไปอยู่ด้วยกันละ ลมาเกิดก็โลมาเกิดด้วยกันไม่มีทุกข์ด้วยกันทั้งเจ็ดชาติอ่ะถ้าใครอยากมาเกิดอีกก็อธิษฐานให้พบกันกระทาบุญให้มันเท่าเท่ากันทําความดีของงามก็เหตุเหตุค้องท้องกันไม่ใช่ผมมาวัดแต่เบี้ยนุน่นเข้าบ่อนอยู่นุน่นกินเหล้าเล่นมรุกเล่นไพ่ดัมมี่ดัมเมเลยอยู่นุน่น อย่างนี้มันไปไม่ได้เนี่มันไม่ไม่ได้เจอกันเพราะว่าศรัทธามันไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกัรบริจาคไม่เสมอกั น, ก น, กนปัญญามันไม่เสมอกันของสีอย่างนี้ไม่เสมอกันมันก็ไม่มันก็มาเกิดไม่ไม่พบกันคนหนึ่งนอนคนหนึ่งยังน่นไปเล่นยังนุน่นเออเล่น ไพ่เล่นโบกเลยเที่ยงคืนก็ไม่นอนเท่านี้แล้วก็ไม่อยากเจอกันแล้วแต่ถ้ามันมีคุณธรรมเสมอกันมีความดีเสมอกันอย่างที่อัตมาว่ามันมันก็ได้พบกันทุกภพทุกชาตตลอดเกิดชาติเราไม่ต้องไปสู่ไบยะภูมิเลยแน่ทั้งสองคนนั่น แต่ถ้าคนหนึ่งมีศรัทธาแต่คนหนึ่งไม่มีศรัทธามันก็ไม่เท่ากันเนี่ยเนี่ยไปทําบุญมาเออผัวไปทําบุญมาเอาน้ําพึ่งไปถวายพระน้ําพึ่งไปถวายพระพระที่ว่านั่นก็คือหลวงปู่มัน่นกบมาถึงบ้านไปมาถวาย ถวายน้ำผึ้งแล้วกลับมาถึงบ้านบอกว่าอนุโมทนาส่วนบุญนะอบอกไม่บ้านบอกคุณอนุโมทนาแผ น, แผนส่วนบุญนะเอาเถอะคุณเอาไปเถอะฉันไม่สนฉันไม่เอาแล้วเท่านี้พอตายแล้วไปเกิดคนที่เป็นเมียไม่อนุโมทนาบุญนะ ก็ไปเกิดอยู่พรมชั้นที่สเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนแฟนก็ไปเกิดชั้นหกเนี่ยรมชั้นที่หอย่างนี้เป็นตัวอย่างอันนี้พูดให้ฟังเป็นตัวอย่าง เพราะบุญไม่เสมอกันบุญไม่เสมอกมันเลยมันเลยได้เกิดคนละที่เวลาลงจากสวรรค์พมมาโลกมันก็ลงมาคนละที่เหมือนกันคนละข้างคนละหนุน ม, มันไม่ตรงกันเพราะมันไม่มีศรัทธาเสมอกันจาระฆาเาไม่เสมอกันปัญญาเขาไม่เสมอการ น, นี่แหละถ้าอยากพบกันก็ต้องทำความดีให้เท่ากัน มีว่าห้าก็ต้องหา้าเมียผัวว่าห้ า, าก็ต้องห้าด้วยกันมันก็ได้ไปพบกันนี่ถ้าอยากพบกันทุกพบทุกชาติตามอยงนี้ให้ทําบุญด้วยกันให้ทําความดีพร้อมพร้อมกันมีใจยินดีด้วยกันครอบครัวนี้มาเกิดชาติไหนพวกนั้นก็เป็นสุขเพราะมีธรรมะเสมอกันอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎก ตอตกมาไปนคนดูเห็นคิดหน่อยคนเราถ้าจะได้พบกันทุกคนทุกชาติได้ทำไงเนอะอ๋อพระไตพปิโก ค, คำสอนพระเจ้าก็เทศดเดืมอนี้ไว้พระพุทธเจ้าตัด เ, เดิมอูไว้นี่นี่แหละ ถ้าเราละเราปล่อยวางเราไปยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญหมายตายวันไหนก็ตายไม่กลัวอย่างนี้เราพ้นจากทุกได้แน่นอนเราไม่ต้องกลับมาเกิดเ็ดชาติแชาติอะไรหรอกเกิดชาตินี้ชาติเดียวเป็นชาติสุดท้ายแล้วตายแล้วก็เงียบผานเขานี่ผ่านไปเลยไม่รู้เป็นยังไงพวกเราก็ลองปฏิบัติ ให้มันถึงความจริงให้มันเข้าพระนิพพานใหได้เหมือนกันคนอื่นเขายังทําได้ครูบาอาจารย์ยังทําได้กินข้าวมื้อเดียวแท้ๆทําให้มีกําลังทําได้จนหนีจากกองทุกได้เนี่ยเป็นพระรหัสอะราหันได้เิงลป์หลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยก็หนีจากทุกได้ลกูกศิงลป์หลวงปู่มั่นก็หนีจากทุกได้ผู้ปฏิบัติตามรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลน ก็บรรลุได้ถึงความสุขความสมเด็จได้ผมเป็นพระธาตุฟันเป็นพระธาตุกระดูกเป็นพระธาตุอันนี้ไม่กลับมาเกิดอีกเลยใครเราไม่มาเกิดก็ตัวเราเลวไม่มาเกิดจะมาเกิดได้ไงมันไม่มีกิเลสแล้วมันจิตมันบริสุทธ์แล้ว มันไม่มีโรคมีโกรธมีหลง ม, มีชาลิสยาราคะตัณหาอะไรไม่มีละมันวางได้หมดล่ะมันไม่ยึดไม่ถือล่ะก็นีทุกข์ได้อย่างแท้จริงพราะมาพิจารณาเห็นของจริงและของปลอมนี่เองมาพิจารณาเห็นของจริงมาพิจารณาเห็นเป็นของปลอมตามที่มันเป็นอยู่จริงๆนั่น ตัวตนของเรานี่ก็เป็นของปลอมเพราะอะไรเพราะเกิดเป็นหนุ่มเป็นาาสาวแกเเท่าชลาล่วงโรยหมดไปสิ้นไปนั่นมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ตากตอยู่ใต้โกรแห่งอ น, นิจจังความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเนี่ยใครลราเป็นอย่างนี้ก็ใจเราแล้ ว, ลวผู้บริสุทธิ์ไม่ใจกายเป็นผู้บริสุทธิ์ ใจเราเป็นผู้บริสุทธิ์ใจเราที่หายใจเข้าออกอนี่ใจเราเนี่เป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนใจคนอื่นคนอื่นก็ผู้บริสุทธิ์นิยานีิกรรมฉันว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นนิยาณิกรรมนำออกจากทุกได้จริงนีนน่ทุกก็คือไม่เกิดอีกตัวนี้ จะอยู่เฉยๆเราโอ๊ยไม่เกิดอีกหรอกควจะมาเจอไอ้ขี้บ่นนี่เนี่หรือไอ้ขี้เล่านี่เน่ยร า, าไปแลแต่เราก็ต้องเกิดอีกออเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นความจริงยังไม่เห็นความปลอมยังไม่เห็นความเที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราเห็นชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่าง แยมแจ้งในใจของเราแล้วเราไม่หวนกลับมาแม้ เ, เราเราอยากกลับมามันก็ไม่กลับมาเหมือนหลวงพ่อประสิทธิ์เอาบาทเข้าไปถว า, ายท่านบาทอบบาทหล็กเขาอบอย่างดีเลยสั่งซื้อทั้งฝาทั้งขาด้วยทังนั้นด้วยตั้งหมื่นบาทนะั่นอะ อาตมาเอาน้องเข้าไปถวายท่านท่านบอกว่าบาทก็ไม่อยากได้ท่านวะรองเท้าก็าไม่อยากได้เอือนตมาเอารองเท้าเข้าไปถวายให้ท่านด้วยมาจัดงานอายุของท่านที่วัดเราเนี่อาจารย์นธนี่เป็นเจ้าภาพรองเท้าขอบญาติโยม นี่ก็ออกไปสวตรหล่อประสิท่านว่ารองท้าก็ไม่อยากได้บาทก็ไม่อยากได้แม้แต่ลมหายใจอยู่นี่ก็ไม่อยากได้ท่านว่านั่นใช่ไหมพอไปรู้ความจริงแล้วมันไม่อยากมาเกินอีกหรอกเหมือนเด็กน้อยกินหมากพริ ก, กนั่นแหะมันเห็นแดงมันกินกับเข้าไปมันเผ็ดที่นี้ ทีหลังเห็นแล้วไม่กินอีกเลยรู้เลยว่าโอเพ็ดเป็นอย่าง น, นี้นัก็เหมือนกันหาลีเจ้าท่า น, นเห็นแล้วโอ้ยมันเป็นของปลอมหมดด้วยพวนี่มันเป็นของจริงตันนี้เท่าเนี้ท่านก็โพ้นทุกข์ไปแล้วไม่กลับมายึดถือสําคัญวั่นหมายในตัวตนั่นนี้ พาลาหาวีปัญจขันธะขันทั้งห้าเป็นของหนัก น, นั่นขันห้าเป็นของหนักหนักข้ออะไรตื่นขึ้นมาต้องล้างหน้าล้างตาแปรงฟันทำความสะอาดอาบน้ำอาบท่าตกแต่งร่างกายทานอาหาร น, านั่นนี่โอ๊ยทั้งวันเลยจนนอนหลับนอนหลับแล้วยังฝันอีกด้วย ไปกันป่านนั้นไม่ไม ร, รมนานี่ละให้พี่นาให้เห็นความจริงในตัวเราว่าตัวเรานี่มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราก็หนีการเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ได้เห็นความจริงว่าผม ไม่ไม่เที่ยงขนไม่เที่ยงฟันไม่เที่ยงไม่เที่ยงสักอย่างรูปก็ไม่เที่ยงรูปนะตั้งกายนะไม่เที่ยงน้ำก็ไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงสักอย่างเมื่อเราเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วเราจะเข้าไปยึดถือได้อย่างไรก็เหมือนเรารู้ว่านี่งูจงอางเราจะกล้าเอามือไปตำคอมันเหรือ เนี่ยแล้วก็ถอยกูดเลยแหละไม่เอาเลแล้วถึงไม่อยากเยียนวหวตายเกิดมันก็ไม่ได้เยียนถึงอยากอะไรต่ออะไรมันก็ไม่มีมันหมดแล้วมันวางหมดอล้มันก็ไม่ยึดไม่ถือไม่สําคัญมันหมายในอะไรอยูเลยเขาเรียกว่าพ้ทุกพ้นที่ไหนล่ะใจเราแล้วเป็นบุลพนล์กายมันไม่พ้นนิพพานจะตายทันที แต่ใจนั้นแหละสิมันพนพนจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญไหมลาได้หมดวางได้หมดเคยบ่นก็ไม่บ่นเคยด่าก็ไม่ด่ามีแต่กิจเมตตาสงสารใน้โนกเห็นใจคนอื่นสั์อื่นไปมีความสุขความเจริญต่อไปอันนี้ถ้าเขาถึงธรรมของพุทธเจ้าแล้ว ให้พิจารณาอย่างดีแล้วจะเห็นความจริงตามลำดับดีกว่าวิปัสนาคือรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสีรู้แจ้งในตัวตนของเรารู้แจ้งในกิเตตนาราคะอะไรต่างๆทุกอย่างหมดความยึดมัน่นถือมัน่นสำคัญหมายทุกประการในดังนี้และยหวัวงก็มีด้วยประการเช่นนี้